นี่รธสัญญานะมันน้อมเจริญไปแทบมากว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงนิพพานนี้ก็ต้องเป็นของที่เที่ยงะนะในในบรรดาการกล่าวถึงขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยงนะพระนิพพานนี่เป็นของเที่ยงอายตนะเป็นอนัตตาจริงๆินิพพานก็เป็นอายตนะไหมเป็นหมเป็นธรมมายตนะเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็น อนัตตาด้วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพอขันห้าไม่เที่ยงนิพพานเที่ยงพออายตนะสิองไม่เที่ยงแล้วนิพพานเที่ยงไม่ใช่ไม่ใช่ไปแบบนั้นเพราะว่านิพพานนับเนื่องในธรรมายตนะเนี่ยนะแต่ว่าเป็นอายตนะชั้นสูงอ่ะนะแต่ว่านิพพานนั้นเป็นสัตว์ขันธวิมุติคือไม่ใช่ขันพ้นจากความเป็นขันขันห้าเป็นอสุภะแต่นิพพานนี้สุภะเนี่ยนะ ขันห้ามีโรคมีโทษแต่นิพานไม่มีโทษต้องน้อมสองอย่างนี้ให้ชัดนะผู้ที่เจริญวิปั ส, สนาตั้งแต่อาทีนวายานตั้งแต่พยาญาณอาทีนวายานนิพิทายานนะเขาจะคิดสองฝั่งนี้มากะนะคิดถึงสองฝั่งนะได้กับเสียนะสรุปมันนะส ร, นะสรุปว่าถ้าเราสละขันห้าไปแล้วรู้นิพานเนี่ยดียังไงเนี่ยนะถ้าไม่รู้นิพานแล้วมีโทษยังไงนะเขาคิดเรื่องนี้มากใน สุตตมยญาณอภินยยนิเทศแสดงบทเหล่านี้ไว้ประมาณ300บทเนี่ยนะประมาณ300บทเพื่อที่จะให้พิจารณากลับไปกลับมาสองฝั่งอันนี้ว่าอันนปัญญาที่มาพิจารณาโทษภัยของขัน5้าอายตนะ12อาการ32หรือเห็นด้วยความเป็นโรคเนี่ยกลุ่มนี้เรียกว่าอาทีนวญาณปัญญาที่น้อมไปพิจารณาไอความสงบที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่า สันติบทยานเนี่ยนะสันติแปลว่าสงบบทก็คือบทอันยิ่งเนี่ยนะคือพระนิพพานเนี่ยก็น้อมน้อมคิดกลับไปกลับมาอย่างนี้ทีนี้อาการที่จะตรัสรู้นิโรธศัตว์อ น, นันต์ได้ต้องตัดเยื่อใยในขันท่าอันอคำสอนประเภทนิเพทภาคยะที่เป็นไปเพื่อชําแรกก็บอกว่าจงตัดฉันทรา่ะในขันห้าเหมือนอะไร ก็มีอุปมาหลายสูตรใช่ไหมเหมือนถอนบัวบ้างเนี่ยนะตัดเธอเอนี่ยนะตัดเยื่อใยซะเธอเนี่ยนะรือบอกขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะแต่เราก็ก็รับฟังไว้นะที่ตามที่พูดถึงยนเนี่ยขยายาแล้วแล้วเป็นนิพพานของเพียงแต่ว่ามายนะของไม่เพียง ผมได้ว่างั้นเหรอไม่ไม่ไม่ถึงว่าก็ พ, บพบูดโน้มน้าวใจไว้ในน่้นนะที่บอกว่านินพพานธรรมายตนะธรรมารามารก็เป็นของที่มีการเกิดมีการสูญแสดงให้ฟังไม่เข้าใจเอาใหม่นะผมจะเล่าให้ฟังใหม่ขันท่าเป็นของไม่เที่ยงแต่อายตนะเนี่ยนะบางอย่างเที่ยง คือธรรมายตนะที่เป็นนิพพานเนี่ยเที่ยงแต่ว่าอายตนะที่เหลือที่เว้นจากนิพพานไม่เที่ยงเนี่ยนะขันห้าไม่เที่ยงเป็นอนัตตานิพพานนี้เป็นอายตนะเป็นธรรมายตนะก็เป็นอนัตตาด้วยเนี่ยนะคือคือมีคนที่เรียนเรื่องนี้นะมีกลุ่มหนึ่งเรียนเรื่องนี้ว่าขันห้าไม่เที่ยงนิพพานเที่ยงขันห้าเป็นอนัตตานิพพานจึงเป็น จุดๆนะอย่างที่เขาว่าเขาจึงคิดแบบนั้นขึ้นมานะก็จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ถามว่าคําขยายเหล่านี้ขยายมาจากไหนที่ว่านิพานเนี่ยที่ยงเป็นต้นอะ่ะก็คือสัพเพสังขาราอนิจจานนหมายถึงขันห้าสัพเพสังขาราทุกขาแต่พอสัพเพธรรมาเนี่ยอนัตตาจะไม่ใช้คําว่าสังขารจะใช้คําว่าธรรมะเพราะถึงนิพานก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะ ก็เป็นอนัตตาคาว่าอนัตตานี้แปลว่าไม่ใช่อาตาัตตาแล้วเทนี้ถ้าคนจะคิดให้มันเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วอัตตาของคุณนี่มันคืออะไรกันแน่เหนไหนะอะไรคืออัตตานิยามของอัตตานี่ขอบเขตมันแค่ไหนเนะเพราะฉะนั้นถ้าโดยโวหารนี่ได้เนไนะเช่นว่านิพพานนะมัตโนนิพพานของตนใช่ไหม ก็ใครที่บรรลุรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยก็ถือว่ารู้ได้เฉพาะตัวมันไม่ได้เป็นสาธารณะกับคนอื่นรองถ้าตนในแง่นี้ก็กไดไไไ้ไม่ผิดอะไรคือตนในฐานะว่าไม่ใช่คนอื่นนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาอัตราแบบเดียร์ธีมาคิดขึ้นเนี่ยนะนะก็คลนละัยกันนะสรุปว่าเจริญสัญญาเจ็ดเนี่ยนะที่เป็นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นนะนะั้น่ะก็คือการคิดอริยสัจ4ี่อีก วิธีหนึ่งเนี่ยนะอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นเองเนี่มาดูธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเลยนะในหน้าสาสิบแปดข้อสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดธรรมะเจอย่างที่ควรรู้ยิ่งก็คือนิทะสาวัตถุเจ็ดนิทะสานี่แปลว่าไม่ใช่สิบวัตถุนี่แปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุที่ไม่เรียกว่าสิบหรือเหตุที่ไม่ใช่สิบเนี่ยน ะ, ะวัตถุศัพท์นี่แปลได้เยอะนะวัตถุเนี่ยถ้าเรียนตามอภิธรรมสังหาจะแปลว่า ที่อาศัยเกิดของจิตใช่ไหมแต่ตรงนี้วัตถุตัวนี้แปลว่าเหตุนิทัศนิบวกทัศนิเนี่แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะปฏิเสธทัศแปลว่าสิบไม่ใช่10วัตถุแปลว่าเหตุเหตุที่เรียกว่าไม่ใช่สิบดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะกล้าในการสมทานศิกขา และไม่ปราศจากความรักในการสมท า, านสิกขาต่อไปเนี่ยนะนี่สำคัญนะแกเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมในศาสนานี้จะเป็นพวกว่าศิกขาสมาเนติพัฒชันโทโฮติเนี่ยนะหมายถึงว่ามีความรักอย่างแรงกล้าในการสมาทานศิกขาไม่ใช่ไม่ใช่เจริญสิกขาแบบทิ้งทิ้ข้างๆอางนะไม่ใช่ แต่มีใจรักอย่างแรงกล้าเนี่ยนะพอใจอย่างเต็มที่เลยนะเต็มใจที่สุดในการในการเจริญแล้วก็ไม่ปราศจากความรักด้วยนะหมายความว่าไม่รู้จักเบื่อในในสิกขาเลยนะเห็นสิกขาเนี่ยมีคุณมากมีอันนี้สงมากแล้วสมาทานต่อไปเนี่ยนะสมาทานที่จะประพฤติต่อไป อัตถกถาที่บายว่าเป็นผู้มาตามพร้อมด้วยความรักอันตนบรรลุแล้วในการบําเพ็ญศิขาในวันรุ่งขึ้นเป็นต้นต่อไปในอนาคตอันนี้ขยายตามอัตถกถาสังคีติสูตรทีขณิกายปาติกวักเพราะนั้นในถ้าสุตระสูตรไม่ขยายกข็ขยายสูตรก่อนแล้วในสังคีติสูตรหมวดเจ็ดนี่นะเพราะผู้ที่จะมีนิทัศาวัตถุนี่นะหรือเหตุไม่ใช่สิบเนี่ยข้อแรกก่อนว่าใจรัก อย่างแรงกล้านะในการสมาทานศิกขาคือไตรสิกขานะีสมาทานทั้งอธิศีและสิกขาสมาทานอธิจิตตสิกขาสมาทานอาธิปัญญาศิกขาอาทานเนี่ยอาทานนะก็เหมือนกับอุปาทานอ่ะนะแต่ว่าอาทานนะแปลว่าการถือถือเอาเนี่ยนะคืออันนี้ถือไว้อย่างแรงเลยนะใจรักแล้วก็ถือถือแบบถือเอาจริงเอาจังอ่ะนะแต่ไม่ใช่ถือโดยความเป็นของเที่ยงอ่ะนะแต่ว่าถือในฐานะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของ มีคุณเนี่ยนะเป็นของมีคุณที่จะต้องเจริญต้องพอกพูนต้องทำให้มากอ่า น, นะแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะะมีความรักอย่างยิ่งในในสิกขาอันนั้นแล้วก็ถ้าขยายตามอาักษาก็คือว่าวันนี้มีใจรักในสิกขาอย่างนี้ไม่เบื่อหน่ายในสิกขาฉันใดพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคำว่าต่อไปนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นอย่างนี้ นนะคือมีใจรักแรงกล้านในสิกขาเหมือนวันนี้เนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายในสิกขาเหมือนวันนี้แล้วก็จะต้องยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ใช่ไหมเอาไหมคุณมณชู้าไตรสิกขาวันนี้นะหยุดอยู่แค่เนี้ยพรุ่งนี้ก็จะได้เท่านี้อีกป ร, รืนนี้ก็จะได้เท่านี้เอาไหมไม่เอาใช่ไหมก็ต้องการความเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะจะต้องสูงขึ้นดีขึ้นสิกขาต้องพอกพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุโบสถนี้ก็ต้องรักษาสิห้อาศิห้าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ วันไหนก็ค่าเท่าเดิมหมดนี้ก็สิกขาไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยแต่ก็หลายท่านก็รักษาอยู่แล้วนะต่อไปนะข้อสองมีฉันทะกล้าในการพิจารณาธรรมะและไม่ปราศจากความรักในการพิจารณาธรรมะต่อไปเนี่ยนะธรรมะนิสันติยาเนี่ยการพิจารณาธรรมะอันนี้หมายถึงการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะ คือมีความพอใจอย่างแรงกล้าฉันทะเนี่ยนะเต็มใจอย่างเต็มที่ในการเจริญวิปัสสนาถ้าจะว่าให้ตรงก็คือมีความสุขกับการเจริญสัญญาเจ็ประการอย่างที่กล่าวไปก็ได้นันะมีความสุขในการเจริญอ น, นิจจสัญญาทุกขสัญญาอนตัตตาสัญญาเนี่ยใจเนี่ยมีความรักไม่เบื่อหน่ายในการเจริญวิปัสสนาแบบนี้ไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลแลสัญญาเหล่านี้เลยอันนะ แล้วก็มีใจรักไม่ปราดในการพิจารณาธรรมะต่อไปด้วยนะวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ต่อๆไปอนาคตต่อไปก็ใจที่ใจรักที่จะเจริญแบบนี้ต่อไปอีกนี่นะเพราะทำไมเขาจึงใจรักที่จะเจริญนะนะเขาบอกว่าเหมือนคนที่ทำอะไรแล้วกําไรมันดีใช่ไหมเห็นคุณแล้วทำไงต่อไป ม, มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันพอกุศลเนี่ยนะพอเกิดขึ้นขนาดนี้เห็นคุณขนาดนี้พุ่งนี้ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและจะไม่เบื่อนายนะสมาทานให้สูงยิ่ยงยิ่งขึ้นไปนั้นก็ข้อแรกเน้นไตรสิกขาสามข้อที่สองเน้นวิปัสนาเพราะข้อที่สามเนี่ยนะเน้น กำจัดสมุทัยแล้วนะข้อต่อไปว่ามีฉันทะกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไปคือมีความสุขมากกับการละกิเลสเหมนัันเถอะมีความสุขในการละกิเลสมีความสุขในการละตันหามีความสุขในการปรับตันหานี่นะไอ้คำ ว, ว่ากำจัดในที่นั้นหมายถึงปราบนะนะหมาดีมากเลยนะ <uca ga> ปราบะตันหาได้หน่อยหนึ่งก็ดีใจปราบะมากขึ้นยิ่งดีใจมีความสุขกับการละตันหาเหมือนกัน นะมีใจรักอย่างแรงกล้าข้อที่4ี่บอกมีฉันทะกล้าในการหลีกออกเร้นปฏิสัน ล, ลานีเนี่ย น, นะคำว่าหลีกเร้นก็ปฏิสัน ล, ลานะหมายถึงกายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะคือมีความสุขกับกายวิเวกเหมือนกันใช่ไมมีใจรักอย่างแรงกล้าในกายวิเวกไม่ปราศจากความรักในการหลีกออกเร้นอยู่ต่อไป ไม่เบื่อในการอยู่ผู้เดียวไม่เบื่อในการเจริญจิตวิเวกอุปทิวิเวกเนี่ยนะแต่ตรงนี้เน้นไม่เบื่อในการอยู่ผู้เดียวเนี่ยนะมีความสุขในการอยู่ผู้เดียวก็อนะคนที่อยู่กับพวกมากๆนะเจริญสิกขามากขึ้นไหมพิจารณาธรรมะมากขึ้นไหมกำจัดความอยากมากขึ้นไหมโดยมา ก, ก น, นะ ไม่ใช่เลยนะเว้นไว้แต่สหธรรมิกหรือสหพรหมจรรมันทร์ที่ท่านามีใจรักอย่างแรงกล้าในศิคาจริงๆเราจรึงจะได้ปกติก็ทำมีกระถาไอ้ไม่ใช่ติ ร, าาระฉานกถาก็เริ่มไปแล้วใช่ไหมเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องถนน้นหนทางเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องประราชามหากษัต ร, ร, ริย์การบ้านการเมืองก็เอาแล้วนะภาษาธรรมะใช้คําว่าติ ร, าาระฉานะกถามหมดเลยแปลว่าคําพูดที่ขวางขวางอะไรบ้าง ขวางสวรรค์กับขวางนิพานเพราะว่าถ้าจุติตรงนั้นนะก็ไปขวางแน่เหนนเน่ยไม่ไปตรงเพันก็ยินดีในการหลีกเล่นมีความสุขในการหลีกเล่นเพิ่ อ, อไหมคราบว่า เ, เหมือนกับว่าคนที่ที่กำจัดสมุทรฐานแห่งโรคนะ แล้วมันสบายตัวใช่ไหมแล้วก็อยากจะกําจัดไอไอตัวเหตุที่จะทำให้โรคเนี่ยนะพอใจมากที่จะไอกำจัดสมุทฐานอันนั้นออกไปอ่านะ น, น, นี่ก็เหมือนกันเป็นคนที่มีความความรักมากที่จะกําจัดกิเลสเหมือนกันเถอะพอใจเต็มใจดีใจอย่างยิ่งที่ได้กําจัดกิเลสอันนี้เป็นลักษณะของอริยวงเนีเป็นการเอาอาริยวงมาสแสดงอีกวิธีหนึ่งอริยวงเนี่ยมีอยู่สประการข้อแรก สันโดษในจีวรข้อ2บินทบาทสเสนาสนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะการสันโดษเหล่านั้นเนี่ยนะส่วนข้อที่4นี่ก็คือมีใจรักในการเจริญกุศลและละอาคุศลอ่านะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็บอกว่าไอการกําจัดความอยากมีใจรักในการกําจัดความอยากคือเต็มใจในการละบาปที่สุดอ่นะตัวตัวอยากก็คืออกุศลมิตกนั่นเองเนี่ยนะก็คือกลุ่มอกุศลมิตก คือมีความสุขในการกําจัดอกุศลวิตตกนะสมมุติอกุศลวิตกคิดถึงอะไรแล้วใจมันเป็นบาปนะแล้วข่มมันได้ปราบมันได้กําจัดมันได้ไล่มันหนีจากจิตได้เนี่ยเขามีความสุขกันนะเคยเป็นไหมอกุศลมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โหซัดเลยนะปราบมันเต็มที่สอนมันเต็มที่เชื้อเฉือนเต็มที่เลยในขณะนั้นอ่ะเสร็จแล้วก็ดีใจมากที่กําจัดอันอกุศลอันนั้นได้เห็นไหมก็เหมือนกับว่า อยากกินอาหารใช่ไมครัแล้วหาเหตุผลจนไม่ต้องกินอาหารที่มีโทษแบบนั้นแล้วก็ดีใจเอออย่างเงี้ยต่อไปนะัคิดแบบนี้อีกเรื่อยๆต่อไปนะข้อหบอกมีฉันทะกล้าในการปรารบความเพียรไม่ปราศจากความรักในการปรารบความเพียรต่อไปคําว่าเพียรในที่นี้ก็คือวิริยรำพะวิริยารัมภะการปรารบความเพียรความเพียรในที่นี้เนี่ยนะเราจะนึกถึงอะไรถ้าใช้คําว่าเพียรนนะี เขาบอกว่าเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรเนี่ยถ้าพูดถึงก็แบ่งออกเป็นสองทางกายกับทางจิตเนี่ยนะเพียรทางกายและทางจิตถ้าเพียรทางกายเช่นการมาเดินเป็นต้นก็เพื่อที่จะออกจากทีนะมิถะเป็นต้นเนี่ยนะสมมติว่านอนอยู่เนี่ยนะเพียรมาเดินหรือนั่งเป็นต้นก็ออกจากทีนะมิถะถ้าเพียรทางใจก็เพื่อที่ออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะเพียรทางกายและเพียรทาง ใจเพียนออกจากอากุศลและพอกพูนกุศลให้มากขึ้นนั่นเองเนี่ยนะก็บางคนเนี่ยเพียนทางกายมากแต่ใจนี้ไม่เพียนเลยมีไหมก็นั่งมากเดินมากแต่นั่งอเป็นหลับเนี่ยนะเดินนี่ก็เป็นฟุงฟ้งซ่านอยเงี้ยพวกนี้ก็กายเนี่ยเพียนแหละแต่ว่าจิตไม่ได้เพียนอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เพียรทั้งกายและจิตเนี่ยนะ ี่ต่อไปว่ามีฉันทะกล้าในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปอ่นนะมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนเนี่ยสติปัญญาที่รักษาตนเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนที่จะต้องไปรักษาอยู่ที่ไหนก็คือชีวิตของเราอ่ะนะเมื่อเมือม่อเมื่อมีเอ่อเมื่อการใช้ชีวิตเนี่ยนึกถึงสัมปชัญญะบัพเพะไว้เถอะ มีอะไรบ้างชีวิตนะมีขาไปขามาใช่ไหมไปมาในอิรยาบทสเมื่อไปมาก็แลเหลียวเมื่อแลเหลียวเสร็จก็คู่เหยียดเมื่อคู่เหยียดขึ้นก็ทรงบาดจีวรสังขติคือนุ่งห่มใช้สอยจับภาชนะแล้วก็กินดื่มเคี่ยวลิม้มขับถ่ายอุจาราปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนอยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะีก็อยู่เท่านี้ทีนี้ไอในกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ให้มีสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาตัวเอง นะรักษาด้วยข้อแรกสาธกะสัมปชัญญะรักษาด้วยส ป, ปายะสัมปชัญญารักษาด้วยโคจระสัมปัญญะและรักษาตัวเองด้วยอะสัมโมหะสัมปชัญญาอย่างนี้จึงจะชื่อว่ามีสติมีปัญญารักษาตัวรักษาตนเนี่ยนะตนในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงไปรักษาคนอื่นนะนะรักษาตัวเองนั่นแหละรักษาตอนไหนโทนอีกครั้งไปมาในอิรยาบดีนะและเหลียวคูเหย็ดเนี่ยนะเป็นต้น เพันไม่ปราศจากความรักไม่ไม่ปราศจากความเบื่อหน่ายในการเจริญสติสัมปชัญญะเหล่านี้เนี่ยนะคือมีความสุขในการเจริญสัมปชัญญะสี่ทีนี้ข้อต่อไปนะว่ามีฉันท่กล้าในการแทงตลอดด้วยอํานาจทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยอํานาจทิฏฐิต่อไปเนี่ยนะ การแทงตลอดด้วยอํานาจความเห็นหรือแทงตลอดด้วยอํานาจทิฏฐิเนี่ยนะหมายถึงเห็นมัศเนี่ยนะทิฐิตัวนั้นหมายถึงมัศมีฉันท่ากล้ามีพอใจอย่างแรงกล้าที่จะให้มัศเกิดเนี่ยนะที่จะให้มัศถ้ามัศเกิดมันเห็นอะไรคุณวิลาวัน ถ้ามักะเกิดนะสมมติเราโอ้โหพอใจมากที่จะให้มกกักระนะคือทิฐิเนี่ยทิฐิอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในมกกักระนะถ้ามักอันนี้เกิดขึ้นเห็นอะไรแสงทอแงแสงเงินลยต้องดูช้าๆใช่ไหมอย่างนี้คิดไม่ได้รย์ารู้อ่าักมแล้วถ้าเิดเห็นมากแล้วเห็นอะไรเลปัญญาพอจะรู้รู้อะไ ร, อ, ะไรอริยสัจอ๋ออก็ตอบให้มันตรงประเด็นไปเลยนะอ้อมมากเข้าใจยาก ก็คือถ้าบอกว่ายินดีที่จะให้ปัญญาเนี่ยคิดเรื่องอริยสัจเห็นอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นอัธยาศัยว่างั้นเถอะอย่างผู้การว่าก็ถูกกันเลยคือเราเห็นเนี่ยอยู่กับทุกข์สัตว์แต่ว่าไม่ค่อยเห็นทุกข์สัตว์คือคือไม่มีใจที่อยากจะเห็นแบบนั้นให้มันมากว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้มีใจให้มีปัญญาแบบนั้นเพื่อที่จะเห็นวันนี้ทุกนะนี้สมุทัยนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้มีความดับทุกนะใจ มีมีใจอยากเห็นแบบนั้นมากมากนะพอใจที่จะเห็นแบบนั้นอะ่ะอันนี้แหละก็คือในทัศนิทัสนวัตถุเจ็ดประการเพราะฉะนั้นอันนี้ควรรู้ยิ่งนะควรรู้ยิ่งทั้งเจ็ข้อนะใครปฏิบัติตามได้นะเชื่อว่าไม่นานเขาต้องตรัสรู้เป็นแน่ถ้าเจริญในเจ็ดข้อนี้ได้นะมรคนี้ <Okay. S 2> บรรลุยากจริงๆนะครับนนะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับที่จะต้องปฏิบัติจะต้องบําเพ็ญนี่เยอะจริงๆเลยนะครับแล้วดูแล้วทุกข้อมีความจําเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันมีเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องหาความรู้มากมายจริงๆเลยครับดูๆอย่าง้จริงๆธรรมะเหล่านี้นะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเช่นไตรสิกขาถ้าบําเพ็ญอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมข้อ2พิจารณาธรรมถ้าเจริญอ น, นิจจสัญญาเป็นต้นอยู่แล้วก็ก็ไม่ใช่ปัญหา กำจัดความอยากนะถ้าเห็นโทษของปัญหาอยู่แล้วก็ก็ไม่ใช่ปัญหาการหลีกเร้นนะถ้าปกติกายวิเวกเป็นต้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาปารบความเพียร น, นะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเป็นต้นหรือเพียรทั้งทางกายเพียรทั้งทางจิตหรือว่ากายอาจจะขณะนั้นไม่ได้เพียรแต่จิตเนี่ยเพียรอยู่เป็นต้นก็ถ้าเพียรอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจตอยู่แล้วก็ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้า ต้องการจะเห็นอริยสัตย์อยู่แล้วนะน้อมไปวันนี้ทุกนี้ทุกกษมูไทยเนี่ยนะน้อมใจไปแบบนี้มากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือเพียงแต่ว่าสูตรนี้เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มบอกว่าคุณต้องรักสิ่งนี้อย่างแรงกล้านะเพิ่มตรงนั้นนะสาระว่าใจรักในการปฏิบัติอย่างนี้อย่างแรงกล้าเต็มใจปฏิบัติแล้วกันเถอะฉันท่คือเต็มใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติแบบนี้แล้วสมาทานด้วยว่า ตั้งแต่นี้นะวันนี้ปฏิบัติอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องยิ่งกว่านี้ต้องยิ่งขึ้นไปยิ่งไวไม่เบื่อหน่ายในการเจริญธรรมะเหล่านี้เลยเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเป็นธรรมะประเภทวิริยารำภกคถาเป็นคําพูดที่สร้างให้เกิดความเพียรนะถ้าเขามาพูดแล้วยมเพียรขึ้นก็แสดงว่าถูกวัตถุประสงค์แต่ถ้าพูดแล้วก็โอ้ไม่ไหวเลยนะทำไมมันมอกขนาดนั้นแล้วก็ขออภัยด้วยนะ โอ้ไม่ต้องไปเยี่ยมนอยู่ในนี่ก็เห็นหนึ่งเยอะแล้วไปเยี่ยม อ, อยู่ตลอดเลยยังก็ว่าจังละอ่อนอยู่ยังไงก็หลายคนอยู่อันนี้ก็มันน้อยที่ไหนลนะมีน้องเนนแ่าน้อยกับเพื่อนหน่อยที่เรือนี่ก็ ถ้าออกจากตรงนี้นะก็เรียกปูเรียกหญ้าเรียกทวดทั้งนั้นไง <c oughs> ออกมายังเป็นนังหลวงลุงละมีมีบ้างแต่ไม่มากคือเพราะเป็นหัวข้อที่ขั้นถือว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วอันนะีน้าววัตถุเจ็ดเนี่ยนะมีอยู่ในสังคีติสูตรปาติกะวะัหมวดเจ็ดนะก็คื อ, อในเล่มเดียวกันเนี่ยคือเล่มสิบหกนะอยู่หมวดเจ็ด แล้วก็มีที่อื่นอีกคือในอังคุตรนิกายสัตตกะนิบาตนิทศาวัตถุสูตรกับนิทศาสูตรเนี่ยนะก็มีตั้งแต่ข้อ18ก็มีข้อส9ก็มีข้อ4ี่บก็มีเล่มสามสิบดนข้อขอะนิทศนิเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ทศาแปลว่าสิบวัตถุนี่แปลว่าเหตุเหตุที่ทำให้ไม่ใช่สิบเนี่ยนะแต่ก็นับว่าเข้าใจยากมาก ลองมาฟังสูตรเต็มๆดูนะสูตรเต็มๆที่พระที่พระองค์แสดงกับพระสารีบุตรและแสดงกับพระอ น, นุนนะนะแล้วก็ในสูตรนี้นะทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้มีความรู้หรือความเข้าใจธรรมะนะไม่ใช่เขาเที่ยวประคารลมทั่วไปหมดเนี่ยนะเขาจะนิ่งในเวลาที่กวรนิ่งไม่ใช่วัดเที่ยวชี้แจงไปหมดเลยนะภาษาริบุตรนี่ไม่ใช่ท่านพูดมาก แต่ถ้าท่านแสดงท่านจะแสดงเป็นอัจเป็นธรรมมีอันนะั้นยกตัวอย่างหลายเรื่องแล้วเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ท่านไปไปทำยาให้โยมเขาปินอ่ะนะแล้วโยมเขาก็ให้ถวายอาหารมาเป็นอย่างดีอ่ะนะลูกศิษย์ก็ได้อาหารอย่างดีมาก็มาถวายพระสารีบุตรสารีอ่าก็บอกว่าอาจารย์นี่นินมนต์ฉันนะเดี๋ยววันหลังผมจะไปทําอย่างนี้มาให้อาจารย์ฉันอีกอาจารยไม่ต้องห่วงพระสารีบุตรนี่เงียบเลยนะนั่นก็ไม่ว่าอะไร พะภิกษุก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟังแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมในคาถาธรรมบทนะพวกที่มีความกล้าเยี่ยงกาเนี่ยเป็นอยู่ง่ายเหมือนกนะในคาถาธรรมบทนะั้นแล้วก็ที่นี่ ก, ก็เหมือนกันไปฟังเดรธีพูด พ, พาาระภาษาดิบุตรนิ่งอีกเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายแห่งนะนิ่งไม่พูดอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีความเข้าใจอะไรแล้วก็ไปเที่ยวชี้แจงจนสร้างศัตรูไว้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะไม่ใช่ เพราะว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะนะบางทีอ่ะศัตรูจะมากกว่าคนปกติเพราะว่าไปฉีกหน้าฉีกตาไปอะไรเข้าว่าเยอะนะเขาก็ไม่ค่อยชอบอย่างนั้นแหละ